Thank mm -hmm. you. ทุกเช้ า, าเราก็สาธิยะรำหรือพอนึกเรื่อ ง, องความทุกข์การเกิดนะก็เป็นทุกข์แต่ก็ต้องทําความเข้าใจนะว่าเกิดแล้วไม่เป็นทุกข์ก็ได้นะอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันต์ทั้งหลายนี่ท่านไม่มีทุกข์แล้วนะในทางตรงเดียวกันความแก่ก็เป็นทุกข์ แต่เมื่อแก่แล้วไม่เป็นทุกข์ก็ได้ความเจ็บก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเจ็บแล้วนี่ไม่ทุกข์ก็ได้นะที่ว่าไม่ทุกข์ก็ได้แล้วนี่หมายถึงไม่ทุกข์ใจความเกิดความแก่ความเจ็บหรือแม้กระทั่งความตายที่บอกว่าเป็นทุกข์นี่ท่านเน้นถึงเรื่องทุกข์กายนะเวลาเด็กเกิดมาอันก็ทุกข์นะ เด็กคลอดอกมาเด็กก็ทุกข์เด็กก็ดิ้นหลนร้องไห้นั่นนแหละที่อธิบายว่าความเกิดเป็นทุกข์อันนี้เป็นเรื่องทุกข์กายแต่เมื่อเกิดมาแล้วนะเรามีสิทธิ์มีความสามารถที่จะไม่ทุกข์ใจได้เมื่อต้องแก่เราก็มีสิทธิ์มีความสามารถที่จะ ไม่ทุกใจได้เช่นเดียวกับเวลาเจ็บเวลาตายก็เช่นเดียวกันความตายก็เป็นทุกข์เพราะมันเต็มไปได้วยทุกขเวทนาบีดขั้นเนื่องจากร่างกายกําลังแตกดับแต่ว่าใจไม่ทุกข์ก็ได้นะนเวลาเราสาธยายหรือว่าศึกษาธรรมในเรื่องทุกข์นี้ก็ต้องเข้าใจว่าหมายถึงทุกข์แบบไหน เกิดแกเจ็บตายนี่เป็นทุกข์ทางกายหรือว่ากายยิกระทุกถ้ามีความโศกความร่ำระรำพันความไม่สบายใจความขับแค้นใจนี่รู้ว่าเป็นทุกข์ทางใจเจตสิกทุกข์เวลามีประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักพัดพลาดจากสิ่งที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นความทุกข์ทางใจ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวก็เรียกว่าเป็นทุกจรแต่ว่าความแก่ความเจ็บความตายนี่มันเกิดขึ้นตลอดเวลานะมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกขณะนี้เราก็กำลังแก่ลงไปทุกขณะมันก็มีความเจ็บ ค่อยคแสดงตัวออกมาความตายก็เช่นเดียวกันอย่าไปเิดว่าความตายนี่มันมันอยู่ที่อนาคตนะมันเกิดขึ้นตลอดเวลาทุกขณะที่เรามีลมหายใจในทางกายนี่ท่านก็อธิบายว่ามันมีความเกิดดับอยู่ในทุกขณะของการที่มีร่างกายทรงตัวอยู่นี้ ในทางวิทยศาสตร์ก็พูไดว่าเดี๋ี้บนเรานี่ทุกวันนี้มีเซลล์ในร่างกายตายห้าหมือนถึงแสนล้านเซลล์ความตายเกิดขึ้นทุกขณะที่เราเิลมหายใจผู้จยังก็ตัดนะว่ า, าความตายาอยู่ในชีวิตความแก่อยู่ในความเป็นหนุ่มสาว โรคภัยแค่เจ็บมันอยู่ในความไม่มีโรคอย่างตอนที่ตอนนี้ที่เรามีดูเหมือนมีสุขภาพดีเดิ น, นไปไหนมาไหนได้เนี่ยอาจจะเริ่มมีความเจ็บป่วยอยู่ข้างในอวัยวะบางส่วนเริ่มติดขัดแต่ว่ามันอาจจะไม่ถึงกับหนักหนาทำให้เราต้องล้มหมอนนอนเสือ่อบางทีอาจจะมีบางส่วนเริ่มเป็นมะเร็งและในเนื้อเยื่อ หรือในะอวัยะวะบางส่วนอันนี้ก็ เ, เป็นความเจ็บไข้ได้เหมือนกันแต่ทั้งหมดที่พูดมาก็เป็นความทุกข์ทางกายนะไม่ได้แปลว่าเราต้องทุกข์ใจด้วยความพัาดพลาสูญเสียก็เช่นเดียวกันมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทุกชีวิตแม้ไม่ใช่ตอนนี้ก็จะเป็นในบันข้างหน้า แต่เมื่อเกิดความพัดพลาดสูญเสียแล้วก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องทุกข์ใจเสมอไปต้องแยกย้ให้ออกนะว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นกับทุกชีวิตก็ตามแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเป็นทุกข์ด้วยเจอทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์ก็ได้นะถ้าหากว่าเราเกี่ยวข้องกับความทุกข์เป็น คือถ้าเราเห็นทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์อันนี้ก็เรียกว่าความทุกข์ทำอะไรไม่ได้แถมได้ประโยชน่ด้วยซ้าเพราะถ้าเราเห็นทุกข์เราก็เกิดปัญญาทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องรู้นะอันนี้เป็นเป็นหน้าที่เป็นบทเรียนของชาวพุทธทุกคนนะชาวพุทธเนี่ย ว่ามีศรัทธาในพระตนตรัยก็จะต้องเข้าใจในเรื่องอริยสัจสี่อันนี้ก็เป็นบทสวดอันหนึ่งที่เราได้สวดเป็นประจําถ้าจะมีศรัทธาในพระตนไตรัยแล้วเนี่ยและไม่เห็นอริยสัจสีนี่ก็ถือว่ายังศรัทธายัางไม่ถูกต้องอริยสัจ4คืออะไรก็คือทุกขโมยทัยนิโรธมรรคอันนี้เราก็เรียนกันมาตั้งแต่เล็กแล้ว แต่ว่าอีกอันนึงที่ต้องเลี้ยงก็คือว่าหน้าที่ธุรกิจที่พึงมีต่ออายสัตว์นะธกิจในอริยสัตว์ก็หมายถึงว่าเราจะเกี่ยวข้องกับอริยสัตว์อย่างไรในแต่ละข้อทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องรู้นะหรือบางทีใช้คำว่ากำหนดรู้แต่กำหนดรู้นี่มันไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจนะ เนียนี้เราไปเข้าใจว่าเวลากำหนดหมายถึงไปเพ่งไปไปจ้องเช่นกำหนดลมหายใจกาหนดท้องพองยุบนะ น, นี้เรียกว่าอันนี้คือคาว่ากำหนดที่ใช้ในวงการกรรมฐานแต่ว่ากำหนดรู้ที่พูดถึงเนี่ยมันมาจากคำว่าปริญญายะเหมือนกับที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยเยสังปริญญายะซึ่งในบทสวดมันก็แปลว่ากำหนดรอบรู้ กำหนดรอบรู้หมายถึงทำความเข้าใจอย่างอย่างท่วนทัวทำความเข้าใจอย่างท่วนทั่วหรือเข้าใจมันอย่างชัดเจนเข้าใจไม่ได้เข้าใจด้วยหัวด้วยสมองแต่ด้วยใจเลยคือเห็นมันทุกเป็นสิ่งที่ต้องเห็นเป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งถ้าเราเข้าใจแจ่มแจ้งเนี่ย มันก็ทำให้เราหลุดพ้นจากการเป็นผู้ทุกข์ได้ทุกข์เราหนีไม่พ้นก็จริงแต่ว่าถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันเป็นก็ไม่เป็นทุกข์นะนั่นคือเห็นมันอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดเน่ยทุกมีไว้เห็นไม่ใช่มีไว้เป็นทุกมีไว้เห็นเมื่อเราเห็นทุกเข้าใจทุกจำแจ้งก็จะเข้าใจสมุทยัย แล้วก็เห็นเลยว่านิโรดนั้นเป็นไปได้และทำให้เราเกิดความขนไกวในการที่จะทำมักมีองแป8ให้เกิดขึ้นสมุทัยเป็นสิ่งที่ต้องละนิโรดเป็นสิ่งทงี่ทงต้องทำให้แจ่มแจ้งหรือทำให้ปรากฏหรือเข้าถึงส่วนมากคือสิ่งที่ต้องทำให้มากขึ้นหรือภาวนาภาวนาแปลว่าทาให้มากขึ้น นล่เราหนีทุกไม่พ้นก็จริงไม่ว่าทุกประจําสังขารคือแก่เจ็บตายแล้วก็ทุกจอนเข้ามาคือความพัดพลาดประสบกับสิ่งที่ไม่รักพัดพาดจากสิ่งที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นแต่ว่าถ้าหากว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะเราเกี่ยวข้องกับมันเป็นโดยข้อการเห็นมันเห็นมันด้วยสติเห็นมันด้วยปัญญาก็จะ ทำให้ไม่เป็นทุกข์เห็นทุกข์แต่ไม่เป็นผู้ทุกข์นะเห็นความปวดแต่ไม่เป็นผู้ปวดนะอย่างที่พวกเราได้ปฏิบัติมาก็คงจะเริ่มเห็นแล้วนะเห็นความเครียดแต่ไม่ใช่เป็นผู้เครียดเห็นความเมื่อยแต่ไม่เป็นผู้เมื่อยอันนั้นแหละคือความหมายว่าเห็นนะไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อแต่เห็นด้วยตาในทีแรกก็เห็นด้วยสติขวัญต่อมาก็เห็นด้วยปัญญา จะพูดไปให้ง่ายขึ้นหรือว่าให้ให้เห็นเป็นรู ป, ปรธรรมเมื่อก็ตามที่มีความทุกเกิดขึ้นกับเราไม่เป็นความทุกทางกายการ ย, ยึดกกทุกข์หรือว่าความพัดพรากสูญเสียหรือการที่ต้องไปเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจที่เป็นลบเนี่ยเราสามารถที่จะไม่เป็นทุกข์ได้ เพราะอย่างแรกคือว่ามีมันขึ้นอยู่กับมุมมองนะมุมมองเวลาเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามขึ้นมาถ้าเรามองเป็นเช่นดูจากมอในแง่บวกนะมันก็ไม่ทุกนะยังมีหลวงพ่อองค์หนึ่งในชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อดีเนาะเพราะว่าท่านเจออะไรท่านก็ว่าดีไปหมด มีคราดหนึ่งโจรมามาขึ้นกุฏิท่านนะจะกวาดเอาเอาของในกุฏิหลวงพ่อท่านก็ว่าดีเนาะทรมทามาดียังไงท่านก็บอกว่าไอ้ของทั้งหลายที่เห็นเนี่ยนะท่านต้องรักษามันต้องคอยดูแลมันถ้าโจรมาเอาไปก็ดีเหมือนกันท่านจะได้ไม่ต้องไปดูแลคือหมดภาระสักที จนบอกว่าไม่ได้เอาไปอย่างเดียวนะไม่ได้เอาของไปอย่างเดียวนะจะฆ่าด้วยท่านก็ว่าดีเนาะดียังไงก็อยู่มาถึงป่านนี้แล้วนะแก่ตัวไปเรื่อยๆอยู่ไปก็มีแต่ทุกข์อยู่ไปก็มีแต่เจ็บปวดไปตอนนี้ก็ดีเหมือนกันสุดท้ายโจมันก็เปลี่ยนใจนะก็โดนหลวงพ่อเทศจนกระทั่งยอมนะยอมมอดตัวให้ตำรวจ อนท่านหลวงพ่อท่านไม่ทุกนะจะมาเอาของไปก็ไม่ทุกจะมาฆ่าก็ไม่ทุกเพราะว่าท่านมองว่ามันดีไม่เป็นภาระไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องป่วยนะให้มันลําบากหลวงพ่อดีเนาะ น, นี่ท่านมีตัวจริงนะต่อหลังท่านได้รับสมณศักดิ์มีราชินันนามว่าสาธุอุทานธรรมวาทีนะ สาธุอุทานธรรมวาทีเป็นพรกผู้ใหญ่ของจังหวัดอุดรคือท่านมองว่าอะไรที่เกิดขึ้นก็ดีไปหมดเมื่อมองเช่นนี้ก็ไม่ทุกข์นะมีชายหนุ่มคนหนึ่งนะแกชอบพาคนไปไปสร้างโรงเรียนไปช่วยเหลือเด็กชนบทในถิ่นธุรกันดาล่านก็พานักศึกษา ไปช่วยโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัแม่ห้องสอนขากลับก็นั่งรถลงเขานะแม่ฮ่องสอนนี่มันโค้งเยอะปพรากิว่าเกิดผิดพลาดรถมันพัดตกลงไปในเหวข้างล่างนะก็ไม่ถึงกับลึกมากนะสิบยี่สิบเมตรตอนที่ตกลงไปนี่ผู้ชายคนนี้แกก็ภาวนานาะว่าขอให้ทุกคนปลอดภัย ขอให้คนที่แกนศึกษาที่แกพามาทุกคนนปลอดภัยบอกว่าปลอดภัยหมดยกเว้นแกคนเดียวพนะิการตั้งแต่ตั้งแต่เอวลงไปตอนที่อยู่โรงพยบาบาล น, นี่เพื่อนๆก็มาเยี่ยมหลายคนก็ก็เสียใจนะแล้วก็บ่นว่าลําพึงตัดพ่อว่ามันทำความดีทำไมต้องมาเจอแบบนี้นะ ทำควา ม, มีต้องมาเจอแบบนี้คือต้องพิกการใจๆคนนี้แกกับปลอบใจเพื่อนพูดกับเพื่อนว่าก็พราะทำความดีมาเสดถึงรอดมาได้ขนาดนี้คือรอดมาได้ครึ่งตัวถ้าไม่ทำความดีอาจจะตายไปเลยก็ได้อะนั้นี้แกไม่ทุกนะกวถือว่าเนี่ย พิการครึ่งตัวบางคนมอนี่คือพิการครึ่งตัวแต่แกมองเนี่ยรอดมาได้ครึ่งตัวก็ถือว่าเยอะนะนี่ก็มองแง่ดีแบบนี้ก็ทําให้ไม่ทุกข์และทําให้มีกําลังใจในการทําความดีต่อไปเท่าที่สังขารร่างกายจามหน่วยเรื่องมุมมองนี่สําคัญมากเจอแล้วก็ตามถ้าเรามองเป็นเช่นมองเป็นแง่บวกมันก็ทําให้ไม่ทุกข์ ใครวิจารณดาว่าเออก็ถือว่าเขามาฝึกให้เรามีสติให้มาฝึกให้เรามีความเข้มแข็งนะอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์ได้หรือมาชี้ให้เห็นให้เห็นว่ามันมีข้อต้องแก้ไขปรับปรุงอย่างไรบ้างผู้เจ้าเรียกคนที่ชี้โทษว่เาเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์อันนี้ก็เป็นเรื่องของการมอนในแง่บวกคือหาประโยชน์จากทุกอย่างที่เกิดขึ้น หลวงพ่อประสิทธิ์เนี่ยถาวาโรวัดถ้ำยายปลีกท่านก็มารับภาพไปแล้วท่านเคยสอนญาติโยมนะเวลาทุกขเวลาโมโหเมื่อมีคนด่าว่าท่านก็บอกให้ญาติโยมเหล่านั้นเนี่ยว่ารับไปเลยนะใครเขาว่าเราไม่ดีก็รับไปเลยเพราะเราไม่ดีจริงตัวหลวงพ่อเองก็ไม่ดีเหมือนกันถ้าดีแล้วทําไมต้องมาอาบน้ําถูฟันล้างหน้า กอลังกายนี่มันเป็นของสปกปรกเน่าเปื่อยนะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ไข้เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ปวดขี้เดี๋ยวก็ปวดเยี่ยวมันดีตรงไหนนะเพราะฉะนั้นนี่ใครว่าว่าเราไม่ดีก็รับไปเลยเพราะมันไม่ดีจริงเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องมุมมองนะถ้าเรามองแบบนี้นี่ใครว่าอะไรเราก็ไม่ทุกข์หรอก และเป็นมุมมองที่มันมันไม่ใช่เป็นความปรุงแต่งแต่เป็นการเป็นการมองที่เตือด้วยปัญญาด้วยนอกจากมุมมองและคุณภาพจิตก็สําคัญนะคุณภาพจิตในที่นี้หมายถึงการที่จิตมีคุณภาพในทางบวกเช่นมีสติมีสมาธิมีขันติมีความอดกลั้นมีเมตตาถ้ามีเมตตานะ เวลาเจออะไรนะมันก็ไม่โกรธไม่แค้นง่ายๆแม้แต่เวลาเจ็บเวลาปวดก็มีเมตตาให้กับร่างกายที่มันปวดอย่างมีบางคนมีคนเป็นมะเร็งแล้วก็มะเร็งก็ลุกลามมากจนรงทังความปวดเกิดขึ้นอย่ากแกก็ไม่ค่อยได้ใช้ยากแก้ปวดเท่าไหร่เพราะว่าแกก็ รู้จักวิธีที่จะอยู่กับความปวดคือต่างคนต่างอยู่ปวดก็ปวดไปนะเวลาปวดมากๆนี่ก็ไม่โกรธนะบอกมะเร็งกล่อมมะเล็งว่าเออพอๆหน่อยนะตอนนี้ก็ได้เวลาพักผ่อนแล้วนะฉันก็จะนอนแล้วนะเจ้า ก, ก็นอนด้วยนะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างพักผ่อนไปคือไม่โกรธนะ ถือว่าจะ ม, มาเร็งจะมาอยู่ก็มาอยู่ได้แต่ว่าพยายามรบกวนกันให้น้อยที่สุดไม่ไม่โกรธแมลงแล้วก็ไม่มองว่ า, มาเมลงเป็นศัตรูอันนี้ก็เป็นเรื่องคุณภาพจิตซึ่งก็ต้องอาศัยสติด้วยแค่เมตตาอย่างดีไม่อาจจะไม่พอต้องมีสติเห็นความปวดเนีย่ยพวกเราเนี่ยมาที่นี่อาจจะมีอะไรที่ ไม่ถูกใจมีเรื่องมีแมลงกวนมีความปวดความเมื่อยถ้าเราพยายามสร้างคุณภาพจิตฝ่ายบวกขึ้นมาโดยพอสะติเนี่ยนะมีอะไรเกิดขึ้นก็เห็นมันแต่ว่าไม่เป็นร่างกายมันคันก็เห็นมันคันเห็นความคันแต่ไม่เป็นผู้คันมันก็ทำให้ทุกน้อยลง หรือว่าบางคนถ้าว่าเป็นคนที่รู้จักอดทนขันติก็ไม่หงุดหงิดนะกับสิ่งที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นเสียงนะเสียงจะรบกวนแค่ไหนใจก็สงบได้เพราะว่ามีความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์หรือรู้จักคอยได้ปฏิบัติธรรมมาหลายวันแล้วนยะยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไร พอรู้ว่าเรื่องนี้มันต้องใช้ความรอคอยแต่รู้จักคอยก็เป็นคุณสมบัติหนึ่งของนักปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะจริงๆมันเป็นคุณสมบัติของคนที่หวังความเจริญทางโลกด้วยจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้มันก็ต้องรู้จักคอยเพราะทุกอย่างมันต้องใช้เวลาขนาดเรียนกว่าจะเรียนจบนี่ปริญญาตรีก็4ปีไม่นับช่วงที่เรียนมัธยมปฐมปริญญาเอกก็หลายปี งานบางอย่างนี่มันต้องใช้เวลานานว่าเป็นงานยากเป็นงานละเอียดถ้าว่ารู้จักคอยได้ในที่สุดก็จะประสบความสำเร็จได้แต่ถ้าไม่รู้จักรอคอยแล้วนี่ทำได้คือกลางก็เลิกหรือมิฉะนั้นก็ทำแบบลวกๆทำแบบไม่ประณีตหรือม่ฉะนั้นก็ใช้วิธีทางลัดนะไปลอกมาโกงเขาเนี่ย อันนี้มันไม่มีทางที่จะเจริญในทางโลกได้ชนชาติที่เขาประสบความสําเร็จในเรื่องอเทคโนโลยีในทางเศรษฐกิจนี่เขาก็เป็นชนชาติที่เขารู้จักคอยได้เลยเพราะคนญี่ปุ่นนี่การรู้จักคอยนี่ถือว่ามีมากทีเดียวจะเห็นได้ในชีวประจํารันของเขาตั้งแต่คอยไฟแดงให้เป็นไฟเขียวคอยเข้าคิวยาว เพื่อที่จะกินข้าวแล้วก็คอยโดยที่เขาไม่ได้ทุกร้อนอะไรเลยนอกจากคุณภาพจิตแล้วมีการมีความเข้าใจชีวิตและโลกก็สำคัญนะอันนี้แหละเป็นเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมเลยคือการเข้าใจเข้าถึงสัจธรรมพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้แค่ทำดีแต่ว่าสอนให้เราฝึกจิตจนเห็นความจริงด้วย เห็นความจริงวิธีการที่ใช้เห็นความจริงก็คือวิปัสสนาหรือว่าธรรมวิจัยการใคร่ควรธรรมซึ่งเป็นองค์ข้อหนึ่งในโพชงเจ7ธรรมวิจยะก็คือปัญญานั่นเองอาการที่เรามาเจริญกรรมฐานนี่ก็เพื่อเห็นความจริงนะเห็นความจริงว่าไม่มีอะไรที่มันเที่ยงทุกอย่างก็ล้วนแต่ แปรผันไม่คงที่ไม่คงตัวไม่คงทนทั้งสิน้นก็คือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือไม่คงที่ทุกครั้งก็คือไม่คงตัวเสื่อมสลายไปในที่สุดอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเมื่อเข้าใจตรงนี้เนี่ยพอเกิดความแปรผันเช่นเจ็บป่วยขึ้นหรือเกิดความตายก็ ไม่สะทกสถานอย่างคนสมัยก่อนนี่พอเวลาตายนี่เขาก็ยอมรับนะไม่ดิ้นหลนไม่คิดจะยือ้อเมื่อรู้ว่าวาสุดท้ายของชีวิตมาถึงบางคนก็ขอให้ลูกหลานนี่ช่วยประยุงตัวให้นั่งพิงเสาจะนั่งสมาธิรับความตายบางทีเห็นลูกหลานร้องไห้อย่างคุณยานึงก็จะตายอยู่แล้วนะ ลูกหลานร้องไห้แกก็ว่าลูกหลานหรือว่ามึงเคยเห็นคนที่อยู่แล้วไม่ตายมนะั้เคยเห็นหคนที่อยู่แล้วไม่ตายเ่คนก็ต้องตายทั้งนั้นแล้วมึงจะร้องไห้ไปทำไมก็พูดว่าแรงๆเลยให้เห็นความจริงเเตือนลูกเตือนหลานให้เห็นความจริงว่าคนเราเกิดมาก็ต้องตายไม่มีใครที่ไม่ตาย เราจะร้องไห้เสียใจเวลายายตายทําไมอันนี้คือความสงบยิ่งเพรา ะ, ะไม่สะทกสะทานต่อความตายเพราะเห็นความจริงเห็นความจริงของชีวิตไม่ต้องเห็นมากก็แค่เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาก็นี่ก็สามารถจะช่วยจิตช่วยใจได้เยอะแล้วหรือเห็นว่าไอ้ที่ทุกข์นี่ มันไม่ใช่เราทุกข์นะมันเป็นรูปหรือนามที่ทุกข์มันเป็นกายหรือใจที่ทุกข์และบางทีที่ว่าทุกข์ทขนี่มันก็เป็นแค่กายที่ทุกข์แต่ใจไม่จำเป็นต้องทุกข์ด้วยดันั้นถ้าเราถ้าเรามีสามอย่างนี้นะคือมีมุมมองที่ดีนะมีคุณภาพจิตที่ดีแล้วก็มีความเข้าใจในชีวิตและโลกนะ เราก็สามารถจะอยู่ในโลกนี้ได้แม้ว่ามันจะมีความพันว น, วนป่วนแปลงต่างๆมากมายให้มุมมองเนี่ยนะภาษาภากลวยอนิสโสมนสิกการคุณภาพจิตเนี่ยท่ากนกล่าวว่าเป็นผลจากการทําจิตภาวนาหรือบางทีท่านก็ใช้คําว่าอาธิจิตตสิกขาอาธิจิตตสิกขาคือการทําให้จิตมีความเจริญมีคุณภาพที่ดี ส่วนขเขาก็ใจโลดลิชี้นี่ก็คือปัญญานี่ยเองหรือว่าเกิดจากปัญญาภาวนาในการที่เราเจเริญสติเนี่ยสตินี้เป็นตัวที่ในขั้นแรกเนี่ยมันเป็นการทําให้จิตมีคุณภาพดีขึ้นจิตที่มีสติคือจิตที่มีคุณภาพและสตินี่มันจะพาไปสู่การทําให้ฉลาดในการมองพอมีสติปุ๊บ มันก็ไม่ไปหวันไหวแปรปรวนไม่ถูกอารมณ์ครอบงำก็เปิดช่องให้โยนิโสมนสิการเข้ามาทำงานคือมองในแง่บวกได้และสติก็จะพาไปสู่ปัญญาได้สตินี่เป็นตัวเชื่อมไปสู่ปัจจัยต่างๆที่พูดมาได้ การจุลสติเนี่ยถึงเป็นเป็นการปฏิบัติธรรมที่สําคัญเรียกว่าเป็นหัวใจกรรมฐานนะกรรมฐานแบบพุทธนี้ไม่ต้อง40วิธีนะสีวิธีการระ ล, ลึกถึงพระพุทธเจ้าระ ล, ลึกถึงพระธรรมระ ล, ลึกถึงพระสงฆ์นี่ก็เป็นกรรมฐานอย่างนึงเรียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติทั้งหมดเนี่ย มีเยอะก็จริงนะแต่ว่าการจรวจสติเนี่ยจะเป็นเป็นแกนของเรือเป็นประธานของการของกรรมฐานทั้งปวงในในพุทธศาสนาคำว่าสติปัะธานเนี่ยมันคนละความหมายคําว่าอนุสตินะอนุสติในที่นทหมายถึงระลึกนึกถึงแต่ว่าสมมาสติเนี่ยท่านหมายถึงการที่มีอ่าการที่ เห็นกายและใจอย่างที่มันเป็นหรือว่ารู้เท่าทันกายและใจสมาสตินี่เน้นเรื่องการเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราคือกายกับใจอนุสติที่พูดเนี่ยคือการระลึกนึกถึงสิ่งที่อยู่นอกตัวเราคือพระพุทธธรรมประสงค์สมารสตินี่รู้เรื่องตัวเรานั่นแหละไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไกลสิ่งที่มีอยู่แล้วกับตัวเราคือกายกับใจ เห็นความจริงของกายและใจความจริงก็คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นความนึกคิดที่เกิดขึ้นมันปรากฏอยู่เฉพาะหน้ากรุธทันมันต่อไปก็จะเห็นมันลึกเห็นลึกขึ้นจนเห็นลักษณะอาการของมันคือเห็นความเป็นไตลักอันนี้ก็เรียกว่าปัญญาเกิดหรือว่าเป็นการพาไปสู่ปัญญาได้เป็นวิปัสสนาการที่พวเรามันเจริสติเนี่ยนะมันจะ เป็นการสร้างสร้างปราการนะเพื่อไม่ให้ความทุกข์นี้มาเล่นงานจิตใจเปรี่ยบเมื่อการสร้างหลังคาที่เพื่อไม่ให้หลังคาที่แน่นหนาะเพื่อไม่ให้ฝนมากระหน่าทำให้เราเปียกเนื้อใจมากกว่านั้นอาจจะเปียบได้กับเหมือนกับสิ่งที่มันเคลือบใบบัวไว พอน้ำฝนไม่ว่าจะน้ำสะอาดน้ำเน่ามาตกกระทบกับใบบัวมันก็ไม่ทําให้ใบบัวเปียกเพรมีแต่ไหลลงไปหมดไม่สามารถทําให้ใบบัวเปียกได้อันนี้ก็ก็คือสติทำหน้าที่กันไม่ให้ความทุกข์หรืออารมณ์อกุศลต่างๆเข้ามาครอบงําใจหรือเข้ามาแปดเพลอนจิตใจ ใจก็จะสะอาดผ่องใสยอยู่เสมอเมื่อเป็นเช่นนี้แม้ความทุกข์ยังมีอยู่เหมือนกับฝนก็ยังมีอยู่เป็นธรรมดาธรรมชาติเราไม่สามารถจะสกัดป้องกันหรือหยุดให้ฝนหยุดไม่ให้ฝนเกิดขึ้นได้แต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ทําให้เปียกไม่ทําให้เราเปียกไม่ทําให้ใบบัวเปียกทุกข์ยังมีอยู่แต่ไม่สามารถฉาบใจหรือ ทำร้ายจิตใจเราได้อาจจะทำได้อาจจะทำร้ายร่างกายอาจจะทำร้ายทำลา ย, ท ร, ายทรัพสมบัติที่มีแต่ว่าไม่สามารถากระเทือนไปถึงใจได้อันนี้แหละคือความหมายหรือคุณค่องการปฏิบัติไม่ใช่เพื่อไม่ให้ไม่ให้ความทุกข์เกิดความทุกข์ต้องเกิดไปอย่างค่ำแต่ว่า มันเป็นแค่ความทุกข์กายหรือความทุกข์กับทรัพย์สมบัติที่มีแต่ว่าไม่เกิดกับใจพูดง่ายคือมีทุกเจอทุกแต่ไม่เป็นทุก